เจ้านั้นจริงอยู่นะครับถูกสั่งสอนจากพระโอษของท่านแต่ไม่ใช่การผูกขาดวันนี้เท่านั้นนะครับว่าไปแล้วองค์ท่านจับตัวเองบุคคลเพศเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วครับพระคดจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามสิ่งนี้เป็นอยู่แล้วถ้าว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นผมว่าสำรับชาวพุทธแท้จริงย่อมมีกําลังใจใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่พระเจ้าตรัสรู้นั้น สังคมอินเดียสังคมท ม, มู้ทวีดนั้นไรหวังในการสแสวงหาอย่างสเปสะสปะไม่มีใครกล้าปฏิญญาณตนหรือว่าเป็นผู้รู้จริงๆงนีน่มีคําถามอะไรอจะต่อครับขอทักเพื่อเวลาเรียนพระอาจารย์ผมจะท้าพรอาจารย์อันนี้มันเิดไว้พระอาจารย์ก็จับประเด็นที่ที่ว่าในความสําคัญกับปัจจาของชีวิตที่มีเวลาไปกับ ภายใต้ของการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวทางกายและการเคลื่อนไหวที่จิตของความคิดนั่นเองใน ค, คิการีลาแห่งชีวิตเหล่านี้นะครับก็ให้มีสติรู้ตัวสตินะโดยลักษณะนั้นก็หมายถึงลักษณะที่ระลึกได้ระลึกรู้ในอารมณ์ที่ปรากฏนะครับอาจจะเป็นอารมณ์อดีตก็ได้อารมณ์ปัจจุบันก็ได้ส่วนคําว่ารู้ตัวที่ใช้อยู่ในความหมายถึงสัมปชัญญะพระเจ้าตรงเรา สัมปัตัญญาคืออะไรทุกสุสัมปัตัญญาคือการรู้ตัวอ น, นิสูกนะครับสติสัมปัตัญญาเึิดมาคู่กันเรียกว่าเราลึกรู้ <c oughs> ส่วนระลึกรู้ในทางสัมผัสปัจจุบันที่สัมผัส่างนี้เขาเรียกว่าระลึกได้ระลึกได้แต่ยังไม่ระลึกรู้ระลึกรู้ได้แต่ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับโดยปกติเราคงจะกดคิดในดาเพราคิดไปจนตายนะครับทั้งแต่เหตุจั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 ในการรับรู้แต่เราต้องรู้ที่จิตของเราว่าเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีต่อเรื่องราวนั้นเราพิจารณาแล้วก็ดูปัจจุบันนี้วจ ด, ดูที่จิตของเรานั้นมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องราวหรือสิ่งที่เรารับรู้ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นของสิ่นี้มีความรู้สึกเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไรเมื่อได้แล้วถ้าเป็นกุศลให้คิดได้ที่เป็นในเชิงกุศลแต่นั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นภายในโลก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 เรหยุดยั้งด้วยการรู้สึกตัวปุจจติสัมปชัญญะมาที่ที่บอกนะเป็สัญญาอย่างลงในสภาวะที่ใจในกายก็คือเราพยทําอะไรอยู่นี่รู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวในจิตว่ามีจิตการเคลื่อนไหวของกระบวนการยานวิทยาเีิดการได้เปาเป็ ญ, ญายานวิทยานิสิตร้องวิสุทธิ์เสรู้กระบวนการคิดแล้วก็มาหยุดตรงนี้แต่หยุดตรงนี้นี่แหละปัญหาสําคัญอยู่ว่ารู้สึกเราสู่ความจิตว่ามหายานเอาไปใช้ไม่ต้องคิดอย่างจะไปเคาบอะไรเป็นพุทธะตอนนั้นผมมีว่ายังไม่ใช่พุทธะ ท่านพายะนั่นเองก็เหมือนกันต้องการแสดงหาผู้เจ้าเห็นผู้เจ้าผู้เจ้าก็เชื่อศักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองนะรัท่านายยะอธิบายไว้ว่าศักด์แต่ว่าเห็นนั่นคือจุดคิดจุดการรับรู้เกิดมาลงที่อันแรกที่มีส่วนเุาส่นอยู่ในสิ่งที่เห็นพระองค์ท่านพายะก็ย้อนเข้ามาอยู่ที่ศักดแต่ว่าเห็นนะครับศักด์แต่ว่าห็นท่านก็อธิบายไว้ครับอาจารย์ ล้พังแฉกกายยออินานเท่านั้นคือจักรุติญาณข้าพเ้าอาจไม่เป็นยังงก็คือสงที่เราควรจะหยุดตรงนี้หยุดิดเรื่จิตว่างไม่ยังไม่ถึงวิชากเพราะมันเปงการรู้ทางดิญยาณรู้กายยินยานที่รู้ร้อนรู้หนาไม่ต้องคิดมันรู้วันร้อนอย่เช่ันตรงนี้รับรู้ก็รู้ด้วยกายกับด้วยดิญญาณรู้พระยายดิานรู้สัญญารู้ประเภทที่สองาว่ารู้สัญญารู้ประมาทดความนึกคิดต่าง แต่อันพิสานรขงยานรู้คึอปัญญารู้เมื่ออย่างนั้นอยู่ที่ว่ า, ายใจขญญาณให้รับรู้ถ้าสมอย่างเราเนะะี่ะให้รับรู้แต่เพียงว่าเพีงแต่เห็นเพีงแต่รับรู้เพียงจะรู้สึกนี่คือกายขงยานเราก็สามารถจะกดติดกดติดของเราข่มติดไปด้วยความรู้ทางกายจิตเพียงพอแล้วก็ใช้ได้แต่ในทางคุณศาสนามันยังไม่พอครับไม่หยุดแล้วกลับมาคิดอีกครับคิดตรงไหนฮะ คิดตามที่ว่าดูจุเป็นสติปักฐานคิดพิจารณาแต่ไม่ได้คิดแบบฟุ้งซ่านไม่ใชคิดแบบฟุ้งร้านคิดพิจารณาในสิ่งที่กําลังปรากฏคือทพิจารณาสังเกตในสิ่งที่ปรากฏนั้นว่าไม่ใช่ตอนไม่ใช่ตัวตอนอย่างไรเมื่อพิจารณาก็นายออกเมืไ่ไรออกแล้วเฉยเลยครับตอนนี้ตรงนี้พุทธช้างอยู่ตรงนี้ครับเรื่องไม่คิดอีกแล้วครับที่เราไปตั้งหาเพาเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ใช่กำรปรากฏในข่่นี้ เป็นเรื่องเล่เพราะฉะนั้นเราปรัชญาชีวิตเนี่ยสามารถจะใช้ปรัชญาชีวิตทางการคิดแล้วหยุดได้แต่นั่นยังเป็นความคิดนอกอุปธศาสนาไม่ว่าจะใช้ปรัจญาอะไรต่างๆที่ขบวกนการยานุญายาขังญาอนุญาตแล้วหยุดคิดได้ยังไม่ใช่ตรงต้าหมายทเรียกว่าเย อ, อยธรรมคือขังห้าสรงที่เดนคิดพิจารณากระเพือมที่ขังห้าไม่ใช่คิดเรื่องสัจจะของจักวารของความลึกคิดที่ออกไปางนอกจะหาประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวถึงรคคิดกัน แต่ว่าเวลาพูดศาสนานั้นคิดพิจารณาที่ขันนาแล้วหยุดคิดว่าขันนาในชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาและเป็นของเน่าเหม็ น, นายออกที่จุดของขันนาที่จุดนั่นแหะคือความสูงซิ่งคือสูญญัตาเรื่มมาหยุดคิดตรงนี้พุทธะจึงเกิดตรงนี้จนมหายานน้นจะเป็นพุทธะตรงนั้นก็เพียงแต่ ว, ว่าสามารถรักษาจิต ด, ด้วยการที่ ว, ว่าไม่ต้องคิดแล้วมันจะว่างลงมันว่างลงเพียงนั้นยังไม่สําเร็จ พุทธะในกันและกันอยู่เพราะฉะนั้นปัญญาชีวิตนี้มันก็มีสองคัญตอนอย่างที่กล่าวนะฮะแต่ว่าค่าจะเอาประโยชน์ตรงไหนก็อยู่ที่สติปัญญาแล้วก็สามารถกระทําได้ตามขบวนการทางที่ปฏิบัติแนวปฏิบัติต่างศาสนาก็ให้ประโยชน์ตามที่ผมคิดว่าให้ประโยชน์จริงในลักษณะผมสบายนี่ผมก็เท็ดหน้าต่างเห็นข้างนอกเป็นตองทุกมาอีกแล้วจากจากบุคคลมาเป็นไอ้ไม้อแล้วไอ้องแบบนี้น แต่รเราก็มาย่างลงก็ยังลงนี่ก็ปล่อยพอปล่อยก็เป็นเช่นนั้นเองของยินดาไม่ต้องพูดอะไรผมงยิ่งในใจของผมที่นั่นั่นทุกความสงบของเราอยู่ตรงนั้นคือยอมเห็นว่าร่างกายเป็นของอาจัรทุกขังนิสตาละโสตตนอะไรทำนองนั้นก็ยุดคิดตรงนี้ส่วนดึกคิดตรงนั้นก็ได้ประโยชน์แล้วก็ถ้าเรายังไม่ย่างลงตรงนี้ก็ได้ประโยชน์แต่ว่านักปัญญาชีวิตอย่างนี้เขายังต้องคิดและยัง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 การรู้จากพุทธศาสนาอีกแง่มุมหนึ่งเ่วกการเห็นที่สมบูรณ์นั่นเองที่ที่จะนำไปสู่อริยมรรคหรือผลหรืออะไรแท น, นะครับข้างประเด็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปลอยทันทีจริงเรามีความยุ่งยากกันมากครับโดยเรื่องของภาษาตัวหนังสือถ้อยคำต่างๆดัง น, นั้นคือบาอาจารย์ครั้งอดีตผู้เปล่อนปราด เรื่องภาษาและธรรมะปฏิบัติจึงพยายามที่แสวงห า, าคำนิยามเพื่อให้ถ้อยคํานั้นกระชับไม่ซัดสาแต่แล้วความพยายามแล้วล้เล่าเล่านั้นได้กับการเชื้อสา ข, ของความยุ่งยากขึ้นตามพ่วงของเวลาธรรมะยิ่งอธิบายมากเท่าไหร่ยิ่งเสื่เท่านั้นนะครับยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งปฏิบัติยากขึ้นเท่านั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่นักปริยัติหรือผู้ที่ใส่ใจในทางธรรมพยายามแ ล, ลม้วล้มเหลวแล้วเล่าครับเพราะความพยายามที่จะคิดอะไรให้มันแตกหักกับกราเหมือนเอาน้ำมันเข้าราดกองไฟซึ่งจะลุกโชดช่วมขึ้นแล้วก็ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นครับ เราต้องวิเคราะห์สองสิ่งนะครับ่งเป็นสิ่งดาดดาดาง่ายง่ายแต่ยากที่จะสัมผัสสองสิ่งซึ่งเป็นเสมือนการกลางของศาสตร์แทบทุกแขณงตั้งแต่วิชาภิสิจิตวิทยาศาสนาและภูมิศาสตร์สองสิ่งนี้ก็คือเวลา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 ดากที่สุดเข้าใจลำบากที่สุดแต่ถ้ารู้จักมันแล้วก็จะรู้จักตัวเองที่สุดนะเราพูดว่าเวลาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมะม่วงจากรสเปรี้ยวสีเขียวค่อยๆเหลืองแล้วรสหวานด้วยด้วยเวลาเราไม่ต้องทำเลยเลยเราทิ้งไว้แล้ น, นั่นเองนะแต่ผมจะถามย้อนอีกทีว่า และเมื่อเวลาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทีนี้มะม่วงคืออะไรดูจะตลกมากข้าเวกกว่านั้นอีกนะเราจะตรงไหนเป็นมะม่วงเพราะสีก็มันเปลี่ยนตลอดลว่ามันเดินทางตลอดเวลาเดินทางควบคู่กับเวลานั่นเองคนระับแล้วตรงไหนเรียกมะ ม, ะมะ่วงตอนที่มันเปรี้ยวเขียวหรือตอนหา่างหรือตอนสุกละหวานจากสุกละหวานเป็นมเมล็ดงอกงอกขึ้นลําต้นใหม่ตรงไหนเป็นมะ ม, ะมะ่วง ในสุดเรามาถึงจุดที่เรียกว่าพูดไม่ออกบอกไม่ได้นี่คือถ้อยคําจริงๆที่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ได้ที่ภาษาพระก็เรียกอัิญญากริตรครับถ้าไปศึกษาค้นคว้าดูจะพบว่าวันที่พระเจ้าเข้าถึงพระโพธิญาณท่านไปเชิญหน้ากับอัิญญากตะธรรมคือเข้าถึงภาะพูดไม่ออกบอกไม่ได้คือสิ้นสุดของภาษาดังที่ผมเริ่มต้นไว้แต่เดิมมื่อเริ่มบรรยายวันนี้นะครับ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 ต้องสิ้นสุดลงด้วยตัวมันเองมันเหมือนเทียนซึ่งหมดน้ำมันตะเกียงซึ่งหมดน้ำมันนะหรือรถซึ่งวิ่งด้วยแรงเฉย่ยจงกระทั่งมันหยุดด้วยตัวมันเองไม่มีแรงประทะที่อื่นการหยุดจึงจะเรื่องสมบูรณ์ต้องเป็นเองครับแต่ทุกขณะทุกขณะจิตเราคิดเหมือนมีรถ ด, ด่วนขบวนยาวหยี่ดังนะนั้นความคิด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 ก็ยกมือทันละครนะแล้วเวลามีอารมณ์เขาจะสัมผัสแรงแธรรมชาติชดเชยให้ผมไม่ได้บอกว่าให้เราทำบ้ายมีพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเข้าจะผิดต่อคำสอนของพระเจ้ า, าพูะเจ้าตรัสว่าเธอยังคิดอยู่ชื่อว่ายังสามอยู่เขาก็พยายามหยุดความคิดหยุดคำพูดสมาทานไม่พูดกันเต็มรรษาเลยเน่พระเจ้าไปถามว่าเธอปฏิบัติอะไรกัน เขบอกว่าสมมาทานไม่พูดท่านประนามนะทานมนามบอกเธอไปเอาวัดปฏิบัติพวกเดียร์ถีมาปฏิบัติทํำไปพุทธศาสนาเรามีองค์อริมัติสัมมาวาจาคือพูดด้วยสติพูดด้วยความรู้ตัวพูดคําสัตย์คําซื่อการพูดคําสัตย์คําซื่อพูดด้วยสติเป็นการภาวนาครับแต่แล้ววันวั น, วนหนึ่ ง, งเราสูญสิ้นไปกับคําพูดซึ่งขมอยากใช้คำว่าไรศาสระฆ์ครับกายของเราสูญเสียไปกับการทําอะไรงแผลงๆมากมายกัน ไปจับระบำลำฟ้อนไปเต้นไปสารพัดคับกายวาจาของเราเหมือนกันจิตของเราต็ะลวดเปิดเติงไปตามที่เราอยากให้มันคิดนึกอะไรครางเราไม่สารวมทวันทั้งสามนี้เข้ามาสารวมคือการตักกระแสครับไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคกลวิธีใดก็ตามที่ทำให้วิตกวิจาร์ระงับลงไม่ว่าโดยการเข้าฌานหรือว่าโดยการ จเจริญหรอยังไงก็ได้ครับเทคนิคนั้นก็คือเมื่อมีการสํารวมแล้วมันจะมาประพิมประพายต่อจิตดั้งเดิมของเราผมไม่ได้บอกว่าจิตเดิมนั้นยังอยู่ตลอดเวลาทรงอยู่ชั่ว น, นิจนลันดอนไม่ได้พูดอย่างนั้นนะสิ่งที่ผมกำลังจะเน้นก็คือว่าคาพูดความคิดไม่อนำเราสู่สัจจะได้ครับเพราะสัจธรรมของนอมชาตินั้นอยู่นอกความคิดอยู่นอกภาษาที่เราพูด ภาษาเป็นตะข่ายของของคำนิยามครับเมื่อผมเรียกต้นนิ้วมะพร้าวที่จริงมันไม่ได้ชื่อมะพร้าวเลยครับแล้วมันอาจจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ a b c d ก f g h นะแต่เมื่อผมบัญญัติในภาษาไทยว่ามะพร้าวแต่ผมสังเกตรูปลักษณ์ของมันและมันไม่เหมือนอีกต้นหนึ่งซึ่งผมจำเป็นต้องเรียกว่าตาดังนั้นอีนนี้ภาษาผมได้แยก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 ฟังอยู่ดีครผมไม่ได้เล่นตลกนะถ้าคุณเรียกมันว่ามะพร้าวแสดงคุณยึดติในสมมตุติเหมือนกับเราเรียกว่าชั้นเป็นตัวตัวชั้นเนี่ยถ้าเรียกให้ถูกใกล้เฉพาะจริงเรียกว่านี่ไม่ใช่ผมครั้งหนึ่งมีคนถามผมแต่เขาก็จะปิดนู่นผมตอบเขาคิดว่าผมดีหยวนเขาเขาถามว่าทําไมท่านบวชตั้งนานสิงๆผมบอกไม่รู้ผมไม่เคยบวชเรื่องนั้นไปถามคุณโกวิทย์เขา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 มันเป็นเรื่องเราคิดขึ้นทางนั้นครับดังนั้นมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในการเจริญภาวนาคือทําให้ความคิดความนึกความจึกเงียบลงถ้าทําโดยดีสมถะเป็นสิ่งชั่วคราวครับเหมือนที่ครูของพุทธเจ้าสององค์นั้นท่านทําความเงียบเนี่ยเหมือนที่ใช้อากาศอากา ศ, ากาศสานันจาจตนะเพ่งอ า, ากาศเอาหลักที่สําคัญอันหนึ่งเมื่อเพ่งอ า, ากาศแล้วอ า, ากาศก็เป็นมโนภาพครอบงำจนกระทั่ง ประกาศตนต้นเป็นอราหารันต์นะ้พระพุทธเจ้าัะบอกนี่เป็นไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะยังกดทับอยู่ยังไม่มีเสรีภาพยังไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวิมุตตหลุดตนเลยทบทวนใหม่นะครับมะม่วงที่ผมชอบอธิบายเรื่องมะม่วงมีไม่ไม่ใช่ชอบกินมะม่วงเนะบทสนทนาเรื่องมะม่วงนี่แหละทำให้ลังกาทั้งประเทศกลายเมืองพุทธครับเมื่อพระอราหันต์ที่ชื่อมาหินทะ เดินทางแล้วสนทนากับพระราชาเรื่องมะม่ว ง, งว่าตรงไหนคือมะม่วงเนี่ยในสุดก็เหมือนกับว่าตรงไหนเป็นเราเป็นตัวเราตัวตวนของเราดังนั้นเมื่อตรงไหนไม่ไม่ไม่อาจชี้ชัดเลยว่าเป็นตัวตวนของเราใครทุกข์ทั้ง น, นัแต่ทุกครั้งเราปวดฟันเราก็เสนหอหน้ากันไปว่าฟันชั้นกำลังปวดขอโทษนะครับอธิบายอาจจะเลอะเทอะไปหน่อยตรงนั้เมื่อเราอาเจียนออกมาโอ้ก็ เราจึงบอกอาเจนเนของฉันเลยครับมันตลกม า, มากมากเลยนะ ม, นมันประหลอดตรงนี้ครับลองวิเคราะห์เข้าสู่มาที่พนทนากับท่านผู้ร่วมรายการในเรื่องวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นตัวกำกับเป็นนายโรงที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้จักตัวนี้เราจะพลัดจากทางของพุทธศาสนาไปทันทีเช่นถือวิญญาณเพี่ยงเป็นตัวตนอยู่คําฟาคําบินเป็นสัตตะทิศวิญญาณนี่แหละเวียนว่าวตายเกิด ไม่มีวันจบสิ้นจําละคระภาพยนตร์เรื่อง i ิต l e b u บ d h าได้นะครับว่าเ mm. มื่อเช้าชาไปเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ไม่เป็นตัวงตัวเองแล้วครับ mm. ก็มาต่อว่าบิดาว่าทำไมปกปิดความจริงอันนี้ไว้ตั้งนานไม่ให้ท่านรู้ว่าคนมันต้องตายด้วยพระบิดาก็บอกว่าไม่มีใครรอดจากอันนี้ลูกเลยมนุษย์เราเกิดแล้ว เ, เกิดกดอีอย่างนี้ไม่มีวันไปไหน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 สัจะไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างด้วยคําพูดหรือภาษาได้ครับแล้วก็ถ้าขืนทำกลายเป็นทุกข์โทษใหญ่เลยนะสิ่งที่สําคัญ ก, ก็คือการรื้อถอนเพิกถอนครองความคิดและคําพูดเมื่อผมใช้คําพี่คําพูดอันเดียวกันนะพอถ้าไม่มีคําพูดความคิดก็ไม่มีนะเรดูในจิตใจมันจะเงียบไม่ใช่มันจะเงียบยงเฉพาะผู้ภาวนาแล้วนะทุกคนเป็นอย่างนั้นครับ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 รู้อะไรจิตอันนั้นมันจิตของที่เรียกวุฒิชนคนธรรมดาทั่วไปอยครับพอนั่งสงบพอนิมิตเกิดติดทันทีเลยครับฝังใจแล้วเล่าประสบการณ์นั้นเป็นยี่สิามิปีเลยทั้งๆทำไม่ได้แล้วครับทั้งๆเป็นประสบการณ์ซึ่งเกิดแป บ, บเดียวแล้วก็ทําไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้ตารวจว่ามันส่งผลดีหรือผลร้ายแต่จะติดยึดติดรวมตัวเมื่อไหร่พอจิตคิ ด, คดออกไปมันคิดถึงอะไรบางสิ่งพอวิญญาณรับรู้อะไรบางสิ่ง ก่เกิดนามรูปทันทีครับนามรูปนั้นไม่ใช่เรื่อื่นตามที่ผมเข้าใจนะก็คือมโนภาพคือรูปแห่งนามเมื่อผมใช้คําว่ารูปแห่งนามนี่เข้าใจยากครับรูปเราเข้าใจนามเราเข้าใจเป็นความดีความสุขความทุกข์อะไรเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นนมามธรรมแต่รูปแห<ม>่งนามคือนิมิตภายในนะครับถ้าใครสักคนหนึ่งจเจริญสิ่อยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเขาอ้าปากไปกินข้าวตักข้าว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 มันไม่มีนามมาแต่ก่อนพอเราบรรจับนามขึ้นตอนนั้นเราก็สามารถนึกถึงทองคําได้ถึงสีเหลืองอลามนละมกกว่านั้นเรามีความรู้ภูมิหลังว่าเท่าทองคําไปแลกจะได้ความล่ารวยมั่งมีนะจิตก็ฝังแน่นลงไปในนั้นเลยเนะี่ยพอนึกถึงทองมันแยกเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงครับดินเนียวนึกถึงมะพร้าวมันไม่ใช่ตาทั้งสิ่งเหล่านี้ตากับมะพร้าวผู้หญิงผู้ชาย ภาวะที่ดูหลากหลายผิดแรงหมดจะกลับเป็นราคาเป็นศูนย์หมดเพราะทองคําราคาเป็นศูนย์ครับก่อเหน้ามนุษย์เจ้าบัตรขึ้นในจักรวาลนี้ในโลกนี้ทองคํามีแต่เป็นศูนย์เป็นศูนย์ไม่ได้หมายมันไม่มีนะมันปรากฏแต่ค่ามันเป็นศูนย์ศูนย์ในนี้หมายชาเลขคณิตครับในในคณิตศาสที่เราใช้ราคาศูนย์ไม่ใช่ไม่มีค่านะฮะดินเหนียวก็ศูนย์แต่เพราะมิติ